ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องจตุจักรกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยอวัยวะร่างกายของมนุษย์เราคือการมองอวัยวะร่างกายนั้นเป็นการมองกันหลายแนว แต่แนวในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นหนักไปในด้านที่จะลดละบันเทาให้กิเลสมันจางคลายลงไปคือตามปกติแล้วการมองส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองพู้เจ้าเรียกคำว่าวิปลาสคือมันคลาดเคลื่อนจากความจริงที่มันเป็น ต, ตามปกติแล้วร่างกายเรานั้นเป็นชีพประชุมของซากศพที่ผมคนเป็นต้นอย่างที่เรารู้กันวันหนึ่งวันหนึ่งต้องมีการชำระล้างขัดสีในส่วนต่างๆของร่างกายมากถึงและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไอ้คำว่ากายเองมันก็ออกมาจากคำว่ากุอายะ แรงรวมหรือแรงประชุมของสิ่งน่าเกลียดทั้งหลายบางทีเรียกว่าปุติกายเ ป, ประเปรก่ยเน่าแต่ว่าตามปกติแล้วชาวโลกเราไปมองในแง่ที่มันสวยงามแต่ว่าอธรรมชาติจริงๆมันก็คือไม่สวยงาม คนชาวโลกก็ต้องมีวิธีการที่จะชำระสะสางประดับประดาตกแต่งกันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อหลอกตัวเองว่าสวยงามแล้วก็หลอกคนอื่นให้เห็นว่าสวยงามเพราะวิธีการในทางศาสนาเราลองสังเกตนะว่าปัญหาตรงนี้มันนำไปสู่ปัญหาเยอะมากอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากความรัก แต่ผมไม่สมหวังต้องการจะครอบครองแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมมีใจด้วยหรือว่ามีการขัดขวางไม่ให้ครอบครองความดักนั้นจะเปลี่ยนเป็นโทสะทันทีและที่แรงมากก็คือว่าเมื่อเราครอบครองไม่ได้คนอื่นก็คือครอบครองไม่ได้เราดูง่ายๆว่าเหมือนเด็กที่เล่นตุ๊กตา ในความรู้สึกของเด็กแล้วตุ๊ ก, กตาก็มีชีวิตทีวาเป็นเพื่อนนอนไปไหนมาไหนก็นอนด้วยกันก็อุ้มไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าใครมาแย่งเธอเนี่ยเธอจะไม่ยอมและพอไม่ยอมถึงจุดหนึ่งควายหนึ่งก็ไม่ยอมด้วย ความหวงอยูเนี่ยความความหวงความยึดติดในตุ๊กตาของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นโทสะ ต, ตรงลงว่าไม่ต้องครอบครองกันเมื่อฉันไม่สามารถครอบครองตุ๊กตาเป็นธีรากของฉันได้เธอก็ครอบครองไม่ได้เลยก็ดึง mm. ไม่จนแตกผลตรงนี้จงกลายเป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็ง บางครั้งบางคราวความรักนั้นมาบริสุทธิ์อย่างในเรื่องมโหสถที่พูดถึงนางยักกินีปลอมมาก็เป็นผู้หญิงธรรมดาและมาตัวลูกของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกคนตัวเองคือต้องการจะเอาเด็กเนี้ยไปกินเป็นอาหารแม่ก็ไม่ยอม ก็เข้าไปให้หมอโสดช่วยตัดสินว่าให้ช่วยตัดสินว่าใครเป็นแม่ของลูกที่แท้จริงหมอโสดนั้นสังเกตได้แต่ว่าต้องการจะให้คนเหล่านั้นจำนุนคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยักษ์ขี่นีนี่จำนุนเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วปรากฏว่าต่างควายต่างก็ไม่ยอมอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ด้วยกัน มูโสก็ตัดสินมอถ้าอย่างนั้นก็แย่งกดัดูนะใครเอาไปครอบครองได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของไปปรากฏเราพอดึงเนี่ยเด็กร้องเนี่ยกว่ายักษีนีก็ดึงมายัางเลยแต่แม่ดึงไม่ได้แล้วกลัวลูกเจ็บเลยก็ปล่อยมือยอมเสียสละยอมเสียสละเพื่อรักษาชีวิตของลูกไว้ดีกว่าให้ลูกตาย หมาอสดก็ตัดสินชี้ชผู้หญิงที่ปล่อยมือไม่ยอมแย่งเนี่ยให้เป็นมารดานั่นก็แสดงให้เห็นว่าในตัวตัวสิ่งที่เราปักใจรักเนี่ยมันอาจจะเพิ่มโลราคาเพิ่มโลภะก็ได้แล้วก็กลายเป็นโทสะ ก, ก็ได้แต่ทั้งหมดมันก็มาจากโมหะแหละ เราก็พบความจริงในโลกว่าการยื้อแย่งต้องการครอบครองโลกของวัตถุกันเนี่ยมันมากจนไม่รู้จะนับยังไงแล้วก็หาจุดเต็มจุดอิ่มจุดพอไม่ได้เป็นลรนี้เราก็มีการรณรง์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน แต่เราตั้งคาถามว่าอย่างไรเรกว่าพอเพียงเนี่ยมันตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องเข้าใจชัดเจนว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคื อ, คอยังไงจะสแสวงหาอย่างไงได้มาแล้วควรทำอย่างไงควรจะได้สักเท่าไหร่และบริหารจัดการยังไงเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะ พอปรับเข้าหางานอาชีพแต่ละอาชีพซึ่งมันแตกต่างกันแล้วก็ไปกันใหญ่ไเลยมันอธิบายไม่ได้ให้รายละเอียดได้ยากเพราะมนจะต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนจึงพูดนะเกิดทำให้เข้าใจชัดเจนเนี่พูดยากนะเพราะมันจะมีประเด็นที่ตามมาตามมาเรื่อยๆ ยกตัวอย่างว่าครอบครัวหนึ่งมีลูกห้าคนครอบครัวหนึ่งมีลูกคนเดียวเนี่ยในการแสวงหาเนี่ยเป็นยังไงเท่ากันได้ไหมถือว่าพอเพียงหรือ ย, ยังมันก็ไม่พอเพียงฮรับรายได้สมัครคนสามคนกับรายได้สมัครคนตั้งเจ็ดคนเนี่ยยังไงก็ไม่เท่ากัน ันความเพียงพยายามก็ตกแตกต่างกาันการได้มาแล้วที่เรียกว่าพอเพียงเนี่ยมันก็ไม่มีกรอบแลยทีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานอาชีพอะไรแต่อะไรต่างๆอีกเยอะก็เคยมีคนนิมนต์ไปให้อธิบายคือบอกว่าที่จริงก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจาถึงคำถามที่ตามมาว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไ ง, ต, ไ ง, ไงต่อไปยังไงนี่ ขอให้คนที่เขาจํานานเขาอธิบายเถอะเราอธิบายเนี่ยจะอธิบายยากคือปัญหาบางอย่างเนี่ยเรามองชี้มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้มันต้องมองรอบด้านทีนี้ถ้ายิ่งมองมันยิ่งเกิดปัญหายิ่งมองยิ่งเกิดปัญหายิ่งมองยิ่งเกิดปัญหาเนี่ยมันต้องหาทางที่จะสลัดที่จะถ่ายถอนตัวเองออกมาจากวังวนตรงนั้น พราะเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทกามเนี่ยกายเราหรือกายคนอื่นก็ช่างเถอะมันกายเป็นวังวนหมายความมาเหมือนกับเราตกลงไปในวังวมนมันหมุนรูปเสียงกลิ่นรสผลประภธรรมารมณ์หน้าแครหน้าปรารถนาเพราะหน้าพอใจมันก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็พยายามปรนปรือกันจนตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่เรียกว่าพอ ก็ทำให้คนเรามีอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคือมีไม่พอจริงๆกลุ่มหนึ่งคือพอไม่มีมายความว่าทุกอย่างมันเป็นเป็นความต้องการของจิตใจที่ํำกับควบคุมด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นยังไงมันก็ไม่พอหรอกแล้ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าอาจจะละเมิดสินข้อที่สองคือรักขโมย ดอกลวงปลอมแปลงยี่ปล้นคอรรัปชั่นสารพัดปัญหาเหล่านี้เกิดทุกวันแล้วถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไปร่วงระเบิดทางเพศในคู่ครองคนอื่นหรือไม่คู่ครองคนอื่นก็อาจจะเป็นนักเลงหญิงหรือไม่องั้นก็อาจจะถึงกับสัสอนในทางเพศจนกลายเป็นโรคเอชปัญหาตามมาเป็นแถวเลยเราจะเห็นว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราไปกําหนด อารมณ์เหล่านั้นะว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจต้องการจะได้จะมีจะเป็นต้องการจะเป็นเจ้าข้าเจ้า ข, ของครอบครองเพราะฉะนั้นปัญหาตัวนี้จึงกลายเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ต้นเยและแม้แต่สีลข้อที่สี่ที่ละเมิดกันส่วนใหญ่มันก็เกิดมาจากเนี้ย เกิดมาจากโลภะเกิดมาจากราคะเกิดมาจากความปรารถนาเกิดมาจากความต้องการเกิดมาจากตัญหายิง่งสิ่งเสพติดแล้วยิ่งปใหญ่เลยในขณะที่คนเป็นนันมากมองเห็นเป็นโทษเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งมันมองเห็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ยาเสพติดนะพูดกันยังไงก็พูดเถอะแต่มีคนกลุ่มหนึ่งแกไม่ยอมเลิอกอะ่ะ แล้วก็ตามปกติกระแสสังคมซื่อต่างๆเนี่ยมักจะชี้นำไปในทางนี้ในทางว่ารูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเรานะน่ากินนี้หอมนะ่ารถนี่อร่อยนะสัมผัสนี้น่าจะต้องเนะี่ยโบราณท่านกล่าวเอาไว้ถึงคำพูดของคนสามจพวกที่จะพวกนะฮะเนิงคู่ความที่ต่อสู้กันในคดี อยเชื่อแยาเชื่อทั้งหมดก็เรียกว่าต้องฟังหูไวห้หวูสองชายหนุ่มผู้กับหญิงสาวสามพ่อค้าแม่ค้านะฮะพ่อค้าแม่กาที่พูดตึงสินค้าของเขาแล้วก็ทูตที่เจรจาความเมืองหรือว่าคนติดต่อเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยกวกับธุรกิจทั้งหลายเนี่ย โดยเห็นว่าเป็นการพูดด้วยความโลภคืออยากได้ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเพราะนั้าเรางคนเหล่านี้แล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาจะพยายามโน้มนาจิตใจของเรากระตุ้นต่อมความอยากเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้เราดูวิธีการของศีลวิธีการของศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าเราคิดเปอร์เซ็นตนะ์ ว่าต้องการจะลดละบันเทากิเลสประเภทราคะประเภทโลภะมากมากกว่าข้ออื่นๆแต่แน่นอนพวกนี้มันก็มีโมหะอยู่ด้วยมีโทสะอยู่ด้วยนะฮะปนปนกันอยู่สอนการถามนิเทวดาคำถามเนี่ยว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก คือพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าชาคริยานโยกทรงมีความเพียรในลักษณะที่ตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาหรือถ้าเราคิดเวลานอนนะฮะมันจะไปขัดแย้งกับวิชาการแพทย์ทันทีเลยแพทย์ก็พูดถึงนอนทั้งแปดชั่วโมงบางหกชั่วโมงบ้า ง, ง, างแต่ไม่ตม่ำกว่าหกชั่วโมงนะพุะเจ้ากลายเป็นบุคคลพิเศษ ทีว่าตอนหัวค่ำเนี่ยทรงประทานโอวาทแก่พระสรงฆ์แล้วก็ตอนเที่ยงคือเนี่ยทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาแล้วก็ใกล้รุ่งก็ท ร, รงฆ์ตรวดูสัตว์โลกเราก็นึกดูว่าภารกิจหลังเที่ยงคืนเนี่ยตอบปัญหาแก่เทวดามากหรือน้อยเราก็ไม่รู้่เทวดามา ก, กี่องค์ก็ไม่รู้ มาแล้วไปมาแล้วไปก็ถามคนละเรื่องและตอนใกล้รุ่งต้องตรวจดูสัตว์โลกิาะเป็นมีความเพียรที่ต่อนเนื่องตลอดระยะเวลาห้าสิบเป็ดพันษาตอนทรมานพระวรากายสแสวงหาทางสักรู้หกปีและตอนทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอีกสี่สิห้าปี พระเทวดาจึงบอกว่าส ม, มีความเพียรมากแต่ก็าถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าส่งพักผ่อนขณะนั้นพระวรกายไม่มีปัญหาคือจริงๆคนเราท่นลับยังมีสมาธิจริงนะคความต้องการของร่างกายความหลับเป็นความต้องการของร่างกายไม่ใช่ความต้องการของจิตใจ คือเรียกว่าเมื่อหลับเต็มตื่นแล้วก็มันก็ตื่นร่างกายเป็นความต้องการในะร่างกายแต่เราจะนอนหลับแบบความต้องการในด้านจิตใจเรียกประกอบสุขในการนอนคือติดสุขกับการนอนเสร็จแล้วก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาก็นอนต่อกหลับต่อตอนนี้ก็เป็นทางเสื่มอย่างหนึ่ง แต่ยันเมื่อการติดสุขในการนอนมันก็เป็นราคาเป็นโลภะอย่างหนี่แต่การปรุนป ล, นปลื้ร่างกายซึ่งเทวดาถามว่าสรีระมีจักรสี่มีถาวรเก้ามีจักรสีคือประกอบด้วยดินดน้ำโมไฟมีธาตุสี่นะฮะ แล้วก็มีทวาทวรเก้าถาวรก็คือช่องหรือทางเป็นทา ง, ทาทางออา เ, าานะเางข้าหรือทางออกต่อมาเราไม่เรียกประตูนะเรียกประตูมันก็เป็นทางเข้าหรือทางออกแต่ว่าในความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยมันทวาวรจะหมายถึงวาวรนนักถาวรเบาแต่ยิ่งจริงไม่ใช่คือภาษาบาลีจะเรียกถาวรทั้งหมด จะคุทวานโสตะทวานคานาทะทวานชิวหาทวานจะเรียกอย่างนั้นหมดก็กมาค่าวว่ามีตาสองข้างมีหูสองช่องมีจมูกสองช่องมีปากหนึ่งช่องแล้วก็มีทวานหนักมีทวานเบารวมแล้วก็เป็นเก้าประกอบด้วยทาวานทั้งเก้า มีการไหลเข้าไหลออกตลอดเป็นของปฏิกูลทางช่วงไหลเข้าแล้วก็ไหลออกแต่ว่าเทวดาที่ความรู้สึกก็แปลกแต่จริง <S <S เพราะว่าเทวดานั้นท่านบอกว่าไม่จำเป็นท้านได้มาโลกมนุษย์หรอกเพราะโลกมนุษย์ปรากฏแก่เทวดาในที่ไกลถึงร้อยโยชนะถึงกลิ่น ือย่างนึกวทุกวันคงไปไกลกว่านั้นแล้วนะเพราะว่าบุลพิษมันเยอะมากแต่ที่ท่านมานี่มาด้วยกลิ่นของพระพุทธกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าแต่มาแล้วรีไปอย่างที่บอกว่าเทวดาเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่เคยพบว่าเทวดานั่งถวายบังคมแล้วยืนอยู่หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบคุณามปัญหาตอบปั๊บเสร็จปุ๊บไปแล้ว แต่เทวันเดรธ า, านยิอันตดรธ า, านไปจากที่นั่นแล้วร่างกายที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายที่มีช่องไหลเข้าไหลออกอย่างนี้ทำไมจึงกลายเป็นที่ตั้งของความโลภเป็นอย่างว่าเปลือกตรมความออกไปจากทุกจะมีได้ยังไง หมายความว่ามันมันมันเหมือนกับติดอยู่ในโครนตอมอะ่ะไอ้กิเลสประเภทโครนตอมเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะอะไรก็ตามนะฮะมันจะติดมันจะหนืดมันจะหนืดแล้วก็ยากต่อการที่จะถ่ายถอนออกไปบางครั้งท่านก็เรียกว่าเปลือกต้มคือกามกามในที่นี้นะฮะกามเฉพาะในทีน่นี้กามที่เรียกอุปมาว่าเปลือกต้มก็คือเนี่ย คือรูปเสียงกลิ่นรสผัผ้าธรรมารมกายของเราก็ประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผัผาธรรมารมและเราก็ประกอบด้วยถาวรคือตาหูจมลิ้นกายใจนะฮะคือมโนโทวาวรกล็ลองสังเกตว่าใจเราก็ไม่ใช่เล่นนะฮะคิดเรื่องโสโครกเยอะเป็นที่ปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงในเรื่องไม่เรียบร้อยไม่สะอาดอยู่เยอะมาก แต่ปรากอบด้วยความโลกแล้วเราก็มีความทุกข์ในการบริหารร่างกายในการดูแลร่างกายนี่สารพัดทุกข์อย่างที่บอกว่าคือสิบเรื่องนี้เราก็แย่แล้วนะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายนี่สิบเรื่องนี้เราก็แย่แล้วอย่างทุกจรนมาอีกเยอะมากเลยเกียรกับร่างกายนี่ การได้มาแต่ว่าสิ่งได้สิ่งที่เราได้เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์การอยากได้แล้วก็ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ปัญหามันสารพาดัดเลยได้มาแล้วต้องพราดพลาดอ้าวก็เป็นทุกข์อีกแล้มันก็ยุ่งหยุด ง, งั้นนี่ยจะในการมองอย่างเนี้คือเขาเขาขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงความจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร ถ้าเข้าถึงความจริงได้มากพอเนี่ยจิตใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนักในกายตนและกายคนอื่นนะฮะตัวนี้เน้นี่กายตนนะฮะเน้นในกายตนก่อนเพราะกายกอเราเราก็เห็นอยู่ว่ามันปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกบางทีวันหนึ่งอาบน้ำสามครั้งยังไม่ค่อยเรียบร้อยไล้ นอนก็อาบนา้ำแปลงฟันขัดสีชวีวันสารพัดต่างๆแล้วก็เห็นนะฮะสิ่งปฏิกูลมันก็ออกไปจากร่างกายหองสบู่ก็ขุ่นข้นมีสีดำอะไรแต่ออรงก็ก็เห็นกันอยู่ทั้งนั้นแต่วันสำคัญว่าผู้นี้เราไม่ได้คิดทําให้เรายึดติดในกายตนล้วก็กายคนอื่นและตลอดถึงปล่อยพ้า ยื่แจ้งไปต่อสู้ปราดประหารกันขอเพียงแต่ได้ครอบครองอย่างนี้เราอย่างนึกถึ ง, ถ, งถึงเรื่องของพระไพมณีนะฮะของเราแท้แหละหรือว่ากุญช่าคุนแผนหรือแม้แต่ทศกัณฐ์เรื่องรามเกียรติ์นะฮะเรื่องรามเกียรติ์ คือเรานึกดูว่าคนเหล่านี้เขาแย่งสามีกันบ้างแย่งผู้หญิงกันบ้างอะไรต่ออะไรยังผู้ชายกันบ้างแย่งผู้หญิงกันบ้างนี่คือนึกดูมันแก่แล้วนะอย่างคุณแผนก็มีลูกเป็นพระวัยแล้วมีพลายชุมพลมีอะไรต่ออะไรก็แสดงว่านางวันทองก็มีลูกแล้วหรือว่าเรื่องของ พระพยัยมณีก็มีลักษณะอย่างนั้นเจ่งแย่งกันเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองเพราะนัพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือแย่งด้วยความอยากพออยากมากเลยมันแย่งเพราะใจเป็นยึดว่าของเรานี่ห้ามแตะต้อง ต่อสู้ประหารประหารกันที่แย่ไปหมดเทวดาก็ถามว่าจะออกจากทุกข์ได้ยังไงอันนี้คือความจริงนะฮะความจริงทีท่เมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นแหละตอนพระเจ้าก็ทรงสแสดงว่าอย่าลืมว่าร่างกายมันเป็นทุกข์สัตย์จะเรียกอะไรก็ช่างมันแนหะส่วนร่างกายนั้นคือทุกข์สัตว์ปัญหาที่มันเกี่ยวเกาะยึดเกาะอยู่ที่ร่างกายเนี่ย ไม่ใช่ากายตนเองหรือกายคนอื่นรูปเสียงกลิ่นรสผุดพระธรรมารมย์จะภายในภายนอกอะไรก็ตามนะมันก็คือใจที่ถูกปรุงด้วยกิเลสหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีตัณหาไม่มีโลภะไม่มีราคะไม่มีความปรารถนาอะไรๆต่างๆไอความอยากมันไม่เกิดเมื่ออยากไม่มียึดมันก็ไม่มี เมืเ่ยดเป็ก็ไม่มีไอความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีการจะต่อสู้การจะยื้อแย้ง mm hmm. เพื่อต้องการจะครอบครองกันเนี่ย mm hmm. ก็ไม่มีแต่ว่าเป็นปัญหาภูเขาเป็นปัญหาใหญ่มากที่วันจันทร์ต้นเดือนธันวาเนี่ย ที่มียอก็โทรศัพท์ถามแล้วก็สะดุดใจนฮะว่าเขาไปสร้างอะไรสร้างโบสถ์ทางโบสถ์กับแห่งหนึ่งก็สร้างศาลาทางวัดก็ติดต่อขอเปลี่ยนเงินยอดนี้ไปใช้ในการถวายพระในโอกาสที่จะหลองสมณศักิ์ของเจ้าว่าเราก็ตกใจเลย เหตุการณ์อย่างนี้มันมีจริงไหมแล้วจะมีสักกี่เปอร์เซนต์ถ้ามีมากจริงๆเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ตัวเลขหรือมาไม่ไม่คยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเลยไม่เคยรู้เรื่องเดี๋ยวก็เคยสังเกตนะเคยสังเกตคือธ่านานุกรมพัฒมาเนี่ยก็วัดอื่นเขขอบ ก่อไปนะให้ลูกศิษย์เขาเขามาเป็นกิจลักษณะเราก็ให้ก็ไม่ว่าอะไรเห็นหมอเอ็นควรก็ให้แต่เคยเจอว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็สอบถามพระที่เป็นฐานานุกรมว่าทําไมไปใช้จ่ายอย่างนั้นท่านบอกว่าญาติโยมเ้าดีใจกันมันไม่จ่ายมากหรอก แต่ญาติโยมชวนกันเฉลี่ยเป็นจาภาพพันพอแยกก็เป็นรายหัวมันก็ไม่มากแล้วก็เป็นความสมัครใจของคนเหล่านั้นที่เขาต้องการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์เขาเดยกก็ยังนึกนะฮะว่ามันน่าจะทำเรื่องอื่นมากกว่ า, าเพียงแต่ว่าคงไปพูดอะไรกับเขาไม่ได้นะคือ พลังของพวกเราเนี่ยพูดไม่ได้นะพลังศรัทธาก็ดีพลังราคะก็ดีพลังตัณหาก็ดีพลังโลภาก็ดีพลังโทสะก็ดีนี่พูดอะไรมันยากมากพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะลืมมันใกล้เคียงกับแม้แต่ศรนะัทธาเนี่ยคือศรัทธาถ้าปัญญาไม่มากพอแล้วยุ่งเหมือนกันนะ มันจะไปเฉียดใกล้าราคาเข้าไปใครไปแต่ต้องคนที่ตัวเองศรัทธาไม่ได้คนก่อนที่มันเกิดบ้านผลเอกเสรีพุกกบาลเนี่ยก็มีการประรบถึงปัะฑานี้ที่นนที่ฉันนาหารเนี่ย มาก็บอกว่ามันเราอย่าลืมนะว่าราคะกับศรัทธานี่ใกล้กันศรัทธาจริตกับราคะจริตจริตนี่ใกล้กันแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดกำกับทั้งราคะและทั้งศรัทธาราคะมันจะออกมาในรูปกันยุยงแรงรุนแรงแถ้าผิดหวังก็จะเกิดโทสะศรัทธาก็เหมือนกันนะหมายความว่าคนที่เราศรัทธาถ้าทำให้เข้าผิดหวัง ที่เขาคาดหวังไว้ว่าเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วปรกวากฏไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดโทสะในขณะเดียวกันถ้าท่านยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนอื่นมากล่าวหาใส่ร้ายก็จะเกิดโทสะในคนเราดันพราไอ้สงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปจึงเกิดได้อย่างการรบต่อสู้กันระหวังคริสต์โรมนคาทอลิกกับอิสลามเนี่ย รบกันในสงครามครูเสดแะจนว่าที่จริงมันก็รบในศรัทธาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไปแตะต้องสิ่งที่ก็รบสักการะของตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้กลายเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องที่เรียกพูดยากไปเลยคือแก้ไขได้ยากเพราะนั้นพรเจ้าจึงรับสั่งว่าตัดความผูกโกรธ ด, ด้วย กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดด้วยความปรารถนาและความโลภอันหลามมกด้วยตอนตัณหามีวัชชาเป็นมูลเสียแล้วอย่างนี้ความออกไปจากทุกจึงมีได้ขาอนี้ลองสังเกตว่ามันผู้เจ้าไปแสดงให้เห็นว่าไอ้ไอไอราคาความก้าหนัดเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันพร้อมที่เป็นโทสะ พร้อมจะเป็นราคะพร้อมจะเป็นโลภะพร้อมจะเป็นความปรารถนาเพราะนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยพวกนี้ทจริงคือสมุทัยนะฮะคือคือนึกไว้ว่าเออมันก็คือคือสมุทัยทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะหยิบชื่อกิเลสข้อใดขึ้นมาคนนี้แสดงว่าเทวดาเองเนี่ยมีพื้นในด้านนี้อยู่ หมายความสามารถเข้าใจได้ด้วยสื่อจากสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคนเราถ้าไม่มีความโกรธเนี่ยก็หมายความต้องไม่มีความรักเพราะความรักมันเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีเพราะงั้นถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธทีนี้เมื่อเราไม่โกรธเนี่ย ไอการจะไปกำหนดไอสิ่งนี้ไม่ดีไม่ดีอะไรอะไรรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจะต้องมันก็ไม่เกิดคืออย่าลืมว่าเราเมื่อไปกำหนดว่าจุดหนึ่งใจมันจะสายไปที่จุดหนึ่งรูปนี้ไม่ไม่สวยก็แสดงว่าท้องการรูปอื่นก็ตกลงว่ามันไปดับโทสะไม่ใช่ไปตัดราคะตรงนี้จนกลายเป็นโทสะเนี่ยแต่ว่าจิตมันเบียงไปหาราคะที่อื่น ค่ า, านในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจีบพัญญาจะตดัดมันก็ต้องตัดหมดแต่ในที่นี้ทรงยกตัวอย่างเฉตวานัชชิงวรัตตันจักอิสาโลพันจะป่าประกังสมุรังตันหังอบุยหะเอวังญาตราภวิสติตัดความโกรธซะด้วยกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดด้วย กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าตรงนี้ที่จริงแล้วก็หมดนะ น, นะกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกโยคะกับเรียกสังโยชน์นะการถากันถากิเลสแปลว่าเป็นเครื่องร้อยรัดก็คือการนั่นแหละคือกามคือพบคือทิชชิเกวิชาก็คือกัน สรูปกิเลสคื อ, อยาไปติดใจจํานวนกิเลสที่ส่งยกขึ้นมายกขึ้นมาเพราะว่ามันเชื่อมโยงถึงกันถ้าเราสามารถตัดได้จริงๆเนี่ยอย่างอื่นก็ตัดได้เฉพาะที่ยกมาในที่นี้มันก็เป็นปัจจัยของการอะไกันหมายความกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัทเนี่ยไอตัวความโกรธเองมันก็เป็นหนึ่งในกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัท ให้เราสังเกตว่ามันผูกใจเราไว้เช่นเราโกรธนายกเนี่ยนายกไปอยู่ถึงอเมริกาในความโกรธยังอยู่ที่โรกนิดบอกว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องช้างกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่งปาไม้มาบังที่จริงแม้แต่โกรธกันเนี่ยมันก็ยังโกรธอยู่ แล้วก็รักกันก็ยังรักอยู่ถึงจะอยู่ไกลในขณะเดียวกันเนี่ยรักกันจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็คือรักโกรธกันอยู่โกรธอยู่กล้ยอยู่ไกลก็คือโกรธมันไปร้อยรัดจิตใจของบุคคลเอาไว้บางครั้งจะเรียกว่าอุปนะิะบางครั้งเรียกว่าพยาบาทเมื่อก่อนมีโอกาสไป บรรยายอบรมการประชุมศึกษาปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นที่พุทธมณฑลเมื่อวันที่หกธันวาคมม่โรกาสเฉลิมฉลองพระุนการครองราชพระปกศิปัญษา ข, ของรบับาสเดพระเจอยู่หัวเกิดตอนท้ายเนี่ยก็มาสรุปโประระเยอะมากฮะพระก็ประมาณสัก1ันห้าหก้อย บอกว่าทํำยังไงเราพูดเรื่องความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หัวข้อใหญ่เวลาไม่มากแล้วเราก็พูดสรุปสรปแต่บอกว่าทํำยังไงว่าในแวดวงของาศาสนาเนี่ยเราลดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาให้น้อยลงและถ้าดับจะได้ในบางเรื่องเช่นกิเลสสนิกาอย่างเงี้ยมันเลิกได้แล้วมันน่าอึดอัดด้วยกิน ไปตั้งแง่ตั้งมุมไม่นั่นรำมยุทธ์นั่นมานิกายนั่นเทราวาตนั่นมายานั่นพระจีนพระลาวพระยวนคือสาสใดที่เรายัางสร้างความรู้สึกต่อพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์อย่างไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไปยังไม่ถึงไหนครับมันเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะเพราะมาตรวัดของเรามันไม่มีอัตราตัวตน แต่ทีนี้เราเป็นเราเป็นขอะระุงรังพันเตเตมไหมดเนี่ยก็แสดงว่าใจมันไม่ถึงไหนอ่ะมันยังเกิดยินดีเวลาพบ ก, กับพวกตัวเองยินร้ายเวลาพบ ก, กับพวกไม่ใช่ตัวเองก็แสดงว่าศีลข้ออินทรียสังบอกเนี่ยเราสอบไม่ผ่านปรากฏว่ า, าพูดเสร็จท่านพิธีกรซึ่งเป็นพระเถระที่ว่าไร่คิงท่งานจับประเด็นนี้มาเน่นต่อเลย เราจะเห็นว่าตรงนี้เราก็เป็นเครื่องร้อยรัดเห็นไหมมันเป็นทั้งเครื่องร้อยรัดด้วยแล้วมันเป็นทั้งอุปนิหาคือผูกโกรธด้วยแล้วมันเป็นทั้งพยาบาทอย่างเบาะๆนี่ไม่มีอะไรคืออารติคือไม่ยินดีแล้วเราจะเป็นเกิดความมั่นคงยังไงในเมื่อพระเรายังไม่สามัคคีกันนะชาวพุทธเรายังไม่สามัคคีกันอย่างแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขากันอยู่ ันพวกนี้มันก็พร้อมจะแปลเป็นกิเลสประเภทต่างๆความปรารถนาความปรารถนานี้บาลีเรียกว่าอิจฉานะฮะแต่ว่าภาษาไทยคำว่าอิจฉานั้นหมายถึงริศยาแต่ริศยาบาลีเรียกว่าอิสสาริศยานั้นเป็นสันสกฤต แต่ว่าอิจฉานั้นแปลว่าความต้องการความปรารถนาไม่เข้มข้นเหมือนตหาหรอกความต้องการเป็นความปรารถนาแต่อย่าลืมว่าเป็นตัวฉุดรั้งเป็นตัวเหนี่ยวรั้งจิตใจของคนเอาไว้ให้ข้องให้ติดก็เลี้ยวหน้าพระวงหลังแหละหมายความว่าจิตใจจะประวะกประวนอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนา ยิปรารถนามากใจจะถูกบังคับให้สายไปมากทีนี้ทรงใช้ว่าคำว่าความโลภอันลามกโลภันจะปาประการคือความโลภอยากได้ในเรื่องที่ไม่ควรได้ในสิ่งที่ไม่น่าจะได้โลภน่าเกลียดใช่ว่าต้องการได้อะไรก็ไม่รู้ขอให้ฉันได้อะไร คนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คือสังคมเนี่เป็นเรื่องที่น่าหว่วงสังคมพุทธไม่น่าเชื่อว่าในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเ้านี่ยมันตกขอบสุดขอบเลยเกลียดแรงกลัวแรงและวน้าอากาติทั้งคู่นะ มันเป็นลีลาอารมณ์แสดงว่าเป็นความรักที่เกิดจากความโกรธแล้วบางทีความโกรธซึ่งเกิดจากความรักหรือความโกรธเกิดจากความโกรธเพราะว่าเราตัดสินเพียงข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับรู้มาแล้วเราก็คาดหวังว่าอย่างหนึ่งแต่ว่าข้อมูลข่าวสารบอกเป็นอย่างหนึ่งเราก็ไปเชื่อตัวข้อมูลข่าวสารแทนที่จะสศึกษาในอดีต เราก็กลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าอยู่ในประเภทที่เรียกว่ากลัวสุดขั้วเลยกลัวสุดขั้วแล้วก็โกรธสุดขั้วเดยก็เสียเรื่องหมดทั้งสองเรื่องในขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องสม า, านอาจารย์มันไม่มีทางทั้งสองอย่างนั่นแหละคือกลัวก็สร้างสม า, านอาจารย์ไม่ได้กลัวก็สร้างสม า, านอาจารย์ไม่ได้ แม้แต่โลภเองก็สร้างสมานาชันไม่ได้ปัจจที่สมานาชันนั้นมันมุ่งในทํานองที่ยังเบาๆเนี่ยคือเมตตา ก, กันไ mm hmm. ม่ตรีกันเอาเบาๆในขนาดว่าเป็นมิตรไม่ตรีการถึงสร้างสมานฉชันได้ตอนก่อนฟังรายการอะไรทางวิทยุเด็กก็เปิดไปในรถ รู้รักสามัคคีมีสมาณาฌานด่าเพื่อนตลอดเลยเอ่มันคนเดียวนี้มันคิดยังไงอะไรคือเหตุของอะไรอะไรคือผลของอะไรเหตุมันเป็นสมุทัยสัตว์แต่เราต้องการผลเป็นนิโรธสัตว์มันเป็นไปไม่ได้เลยตรงนี้เราใจนว่าตัวเหตุมันเป็นทุกขสัตว์ ไม่ใช่ตัวผลมันเป็นทุกขสัตริย์ตัวเหตุก็คือสมุทัยสัตว์เตอนนั้นเธอต้องการให้พ้นจากทุกขสัตริย์เธอต้องทำลายที่ตัวสมุทัยสัตว์ในที่นี้ก็ทรงยกตัวอย่างทั้งหมดนี่นะความโลภอันลามกแล้วก็ถอนตัณหาตัณหาก็คือโลภะอย่างหนึ่งนะเห็นว่าเครื่องร้อยรัดก็เป็นโลภะความปรารถนาก็เป็นโลภะตัณหาก็เป็นโลภะแล้วก็อวิชา สรุปแล้วคือโลภตุสมาโมหะทีนี้ถ้ า, าว่าเราทําได้แต่ทําได้สมบูรณ์มันก็ยากหน่อยนะฮะตัวใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวอวิชชาเผลนถ้าเราพยายามศึกษาหาเหตุผลมีความคิดเป็นระบบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักในการคิดให้ได้เนี่ยนะเรียกว่าคิดได้คิดดดีคิดไ ด, ด้เป็นคิดได้ชอบ มันอยู่ในกรอบของเหตุผลของความถูกต้องดีงามเราก็จะสามารถบรรเทาความปลูกโกรธคือไม่รู้จะปลูกไว้ทำอะไรเราสามารถบรรเทาลดความตัวอัดแน่นของความร้อยรัดแล้วก็การสายไปของจิตด้วยริดแรงของความปรารถนาต้องการนี้ต้องการน้นต้องการนั้น แล้วเมื่อความปรารถนามันลดเครื่องร้อยรัดมันลดเนี่ยความโลภมันก็ลดหรือว่าโลภก็คุมทิศทางเอาไว้ไม่ถึงกลามกทัญชาคําว่าลามกนะฮะป่าประกัรแปลว่าลาโมกและถึงจุดหนึ่งคือลดตัณหาลงไปคือไม่ถึงกับดับอ่ะจะทำยังไงว่าบรรเทากระแสของตัณหาสามารถกํากับควบคุมตัวเองทิศทางในการดําเนินชีวิต หยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะไปทุ่มเทลงไปในเรื่องที่ไร้สาระเหล่านี้ในที่สุดร่างกายมันไม่มีสาระอะไระนะมันไม่มีสาระอะไรแต่เราจําเป็นจะต้องเป็นเราจําเป็นจะต้องอาศัยเพืใช้ประโยชน์จากมันนะแต่ที่แน่นอนมันก็ต้องแตกดับ แล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเราพ อ, อายุมากขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าเอา๋ยร่างกายมันชักจะรวนมันก็ได้เรื่องแล้วก็หมายความความตายก็ใกล้กลับมาและทุกอย่างไม้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เราก็ต้องทิ้งนั่นนะเราไปไม่ได้แต่โบราณท่านพูดง่ายๆว่าเกิด อ, อะไรมามรณาอะไรไปเนี่ย ไม่เบานะความคิดคนสมัยโบราณเนี่ยไม่เบาคนไม่เคยคิดจะจะหาคำตอบว่าเกิดเอาอะไรมามรณ า, าอะไรไปแนวตัวเนี้ยมันมีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนพาไปหรือแม้ในปัจจุบันที่พูดถึง ยศได้ล่าหาไปไม่นแน่แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไนัยจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันจะมาแต่อย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามาลุ่มหลงกับไอเนี้ยสรีระร่างกายที่มีหลเข้าไหลออก พระตามเทศนาในเรื่องตรงนี้ในเรื่องร่างกายเรื่องทวารทั้งเก้าไหลเข้าไหลออกผู้เจ้าเชิกับพระญาติพนางรูปปัณธาพนางนันธาพนางอาภิรูปปัณธาแล้วก็พนางเข ม, มาสาวสาวสวยๆต้นนั้นเลยพวกนี้หลงรูปตัวเองหมด พระเจ้าทรงใช้อุบายวิธีในการสอนให้เธอเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นรังของโรคมีการเปิดหน้ามีการผูกพังมีการแตกสลายไปต่างกาันนะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราให้ลดๆดน้อยลงไปจนถึงกาดับตนาอุปาทานต่างๆ่าไปได้เป็นเป้าหมายแล้วท่านเหลานั้นก็ทำได้นะฮะทุกขันตอนหลย เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทวกันสวัสดี